อย่าพยายามเดาหรือคาดคะเนในแบบตรร ก, กะวิทยาปัญหามีอยู่ว่าโบสถ์ก็ดีศาลาก็ดีและสิ่งก่อสร้างอื่นตลอดถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรท่านได้ชี้แจงให้ฟังว่าโอปปปาติกาที่อยู่ในภูมินี้ส่วนมากจะไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร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 เป็นคำสอนที่ประเสริฐที่สุดสอนอย่างตรงไปตรงมาอธิบายหลักวิชาไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านขอร้องให้ศึกษาคำว่ามโนโมยรูปังซึ่งแปลว่ารูปคือร่างกายในโลกของโอปปาติกะเกิดจากใจซึ่งคำนี้มีความหมายลึกซึง้งและกว้างขวางมากท่านบอกว่า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 การแบ่งแยกทางเชื้อชาติทางภาษาหรือทางวัฒนธรรมต่างๆก็จะค่อยค่อยหมดความหมายไปโดยลาดับกล่าวคือยิ่งอยู่ในภูมิสูงขึ้นไปเพียงไรสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องแบ่งแยกเหล่านั้นก็จะค่อยค่อ ย, อยหมดความหมายยิ่งขึ้นท่านยังได้แนะว่าอีกอย่างหนึ่งว่าการมองดูชีวิตถ้ามองจากที่สูงลงมาเห็นได้ง่าย